ประเภทของนิพพานการแบ่งประเภทนิพพานที่รู้จักกันทั่วไปคือที่แบ่งเป็นนิพพานธาตุสองตามกัมพีอิติบุตกะได้แก่ 1. สัอุปาทิเสสนิพพานธาตุนิพพานธาตุมีอุปาทิเหลือหรือนิพพานยังมีเชื้อเหลือ 2. อนุปาทิเศ ส, สนิพพานธาตุนิพพานธาตุไม่มีอุปาทิเหลือ หรือนิพานไม่มีเชื้อเหลือสิ่งที่เป็นเกณฑ์แบ่งประเภทในที่นี้คืออุปาธิซึ่งอัตถกถาอธิบายว่าได้แก่สภาพที่ถูกกรรมกิเลสถือครองหรือสภาพที่ถูกอุปาทานยึดไว้มั่นหมายถึงเบญจขันธ์หรือขันธ์ห้าเมื่อถือความตามคําอธิบายนี้จึงได้ความหมายว่าหนึ่งซอุปาธิเศ ส, สนิพานธาต ได้แก่นิพานย Be ัง so มีเบญจขัน <Tonight> ธ์เหลือหรือนิพานที่ยังเกี่ยวข้องกับเบญจขันธ์อนุปาที่เสสนิพานธาตุได้แก่นิพานไม่มีเบญจขันธ์เหลือหรือนิพานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเบญจขันธ์นิพานอย่างแรกคือสอุปาที่เสสนิพานธาตุแปลความหมายกันต่อไปอีกว่าหมายถึงดับกิเลสแต่ยังมีเบญจขันธ์เหลือ ได้แก่นิพานของพระอรหันต์ผู้ยังมีชีวิตอยู่ตรงกับคําที่คิดขึ้นใช้ในรุ่นอัตตกาถาว่ากิเลสปรินิพานคือดับกิเลสสิ้นเชิงส่วนนิพานอย่างที่สองคืออนุปาทิเสสนิพานธาตุก็แปลกันต่อไปว่าดับกิเลสไม่มีเบญจขันเลือได้แก่นิพานของพระอรหันต์เมื่อสิ้นชีวิตตรงกับคําที่คิดขึ้นใช้ในรุ่นอัตตกาถาว่า ขันทปรินิพานคือดับขันห้าสิ้นเชิงเพื่อความแจ่มชัดและให้ผู้ศึกษาพิจารณาด้วยตนเองขอคัดข้อความตามพระบาลีเรื่องนี้ในทาตุสูตรขุ ต, ตกนิกายอิติพุตตะมาลงไว้ดังนี้แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคองค์อรหันต์ได้ตรัสไว้ข้าพระเจ้าได้สดับมาดังนี้ ภิกษุทั้งหลายนิพพานธาตุสองอย่างเหล่านี้กล่าวคือสาอุปาที่เสสนิพพานธาตุและอนุปาที่เสสนิพพานธาตุภิกษุทั้งหลายสาุปาที่เสสนิพพานธาตุเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นอรหันตสิ้นอาสวะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทํำเสร็จแล้วปลงภาระลงได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วมีสังโยชน์เครื่องปูกมัดไว้กับภพบหมดสิ้นไปแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบอินรีห้าของเธอยังดารงอยู่เทียวเพราะอินทรีทั้งหลายยังไม่เสียหายเธอย่อมได้เสวยอารมณ์ทั้งที่พึงใจและไม่พึงใจย่อมเสวยทั้งสุขและทุกข์ อันใดเป็นความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะของเธออันนี้เรียกว่าสอุปาทิเสสนิพานธาตภิกษุทั้งหลายอนุปาทิเสสนิพานธาตเป็นชไหนภิกษุในธรรมวิไนยนี้เป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิตที่ควรทำเสร็จแล้วลงผ่าระลงได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนแล้วมีสังโยชน์เครื่องปลูกมัดไว้กับภพบหมดสิ้นไปแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบเวทยิตะคืออารมณ์ที่ได้เสวยทั้งปวงในอัตภาพนี้แหละของเธอซึ่งเธออภินันทิตะคือเธอไม่ติดใจผัวพันแล้วจักเป็นของเย็นข้อนี้เรียกว่าอนุ ป, ปาทิเสสนิพานธาตต่อจากนี้มีคาถาสำทับความอีกว่า นิพพานธาตุสองอย่างเหล่านี้พระผู้ทรงจักสุผู้คงที่ไม่ขึ้นต่อสิ่งใดได้ทรงประกาศไว้แล้วคือนิพพานธาตุอย่างหนึ่งเป็นทิฏฐธรรมิกะมีในปัจจุบันหรือทันตาเห็นชื่อว่าสัอุปาทิเศสัตเพราะสิ้นตัณหาเครื่องนำไปสู่พบส่วนนิพพานธาตุอีกอย่างหนึ่งเป็นสัมปรายิกะมีในเบื้องหน้า หรือเป็นของล้าเป็นที่พบทั้งหลายดับไปหมดสิ้นชื่อว่าอนุปาทิเศส